เจรนพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่27คุมภาพัน์พุทธศักราช2547เป็นวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน4เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนณะเป็นวันฟังธรรม ท่านที่เคยมาที่วัดก็มากันอย่างสม่ําเสมอเพราะเวลาที่มาวัดก็ได้มาประกอบความดีเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความสุขใจการทําความดีนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเพราะถ้าชีวิตของเรา ปราศจากการอุปถัมภ์คำจุนด้วยการกระทำความดีแล้วชีวิตเราจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เพราะเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญก็คือความดีที่เกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจคือพูดดีทดําดีคิดดีนั่นเอง ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าหน้าที่หลักของเราในชีวิตนั้นคือการทำความดีไม่ใช่อยู่การสะสมสร้างลาบยศเสริญสุขเพราะลาบยศเสริญสุขนั้นไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญอย่างแท้จริง เหตุที่จะทำให้เรามีความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั้นก็คือการกระทำความดีดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เราคำนึงเสมอว่าการกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่วิธีที่จะตรวจวัดความการกระทำของเราว่าดีหรือไม่ก็ใช้หลักง่ายๆว่าการกระทำอันใดก็ตาม ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับผู้อื่นและตัวเราก็ดีถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความดีทําไปได้เลยไม่ต้องกังวลตราบใดที่การกระทานั้นเป็นประโยชน์แล้วไม่เกิดโทษ ทำไปแล้วผลที่ดีก็จะตามมาก็คือจิตใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความดีเปรียบเหมือนกับยาที่เข้าไประงับดับโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจจิตใจเราปกตินั้นมีเชื้อโรคที่สร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์สร้างความ ไม่สบายใจให้อยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าเชื้อโรคทางจิตได้แก่ความโลภ ค, ความโกรธและความหลงถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาคือความดีแล้วจิตใจของเราจะถูกเชื้อโรคสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เราอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยในเรื่องราบยศเสริมสุขความมีมากหรือมีน้อยนั้นไม่มีไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจมีมากขึ้นเรื่องมีน้อยลงไปเพราะราบยศเสริมสุขนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะสร้างความสุขให้กับใจหรือเป็นเหตุที่จะดับทุกข์ อยู่ภายในใจเหตุที่จะสร้างความสุขระดับทุกภายในใจก็คือความดีนี้เท่านั้นดังนั้นในชีวิตของเราเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงคือสร้างความดีเพราะเมื่อเราได้เราเราได้ทำความดีแล้วเราจะมีความสุขจิตใจของเราจะเจริญขึ้นถ้าเราหลงประเด็น เราไปคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีหน้าที่ในการกรอบโกยเรื่องราบยศสรรเสริญสุขแล้วเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจเพราะราบยศสรรเสริญสุขนั้นมันไม่ใช่เป็นเหตุที่ให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่เป็นเหตุที่จะให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเราลองสังเกตดูคนที่มี เงินทองมากมากมีตำแหน่งสูงสูงนั้นเรามักจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่เพราะเขาต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องดูแลรักษาตำแหน่งต่างๆที่เขามีอยู่เวลาที่เขาต้องสูญเสียไปเขาก็มีความเสียใจมีความทุกข์ใจ คนที่ไม่มีนั่นแหละเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าดูพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขเลยแต่ท่านมีความดีความดีนี่แหละที่ทำให้ท่านสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรอื่น เพราะความดีนี้ทำให้จิตใจมีความสงบมีความล่มเย็นทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอถ้าตราบใดจิตใจไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแล้วต่อให้เรามีอะไรมากมายเพียงไรในโลกนี้เราก็จะยังมีความรู้สึกหิวมีความกระหายมีความอยากอยู่ เราจึงสังเกตได้ว่าเราจึงเห็นได้ว่าคนที่มีความร่ำรวยบางคนจะต้องมีสมบัติมากมายจะต้องมีรถยนต์หลายคันจะต้องมีบ้านหลายหลังจะต้องมีภรรยาหรือสามีหลายคนเพราะว่าเมื่อมีเงินทองก็สามารถที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อมีความสามารถที่จะซื้อความอยากที่มีอยู่ภายในใจ ที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยการทำความดีก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความโลภเกิดความอยากต้องการสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปเพราะคิดว่าถ้าได้แล้วจะมีความสุขแต่นี่เป็นความคิดที่ถูกความหลงครอบงำอยู่มองเพ็นมองเห็นเพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่เราต้องการ สิ่งใดที่เราต้องการนั้นเรามักจะเห็นแต่ความดีเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งนั้นแต่เรามักจะมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งที่ตามมาด้วยคือความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างเวลาเรามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเราจะรู้ปัญหาตามมาทันทีแต่ตอนที่เรายังไม่มีเราจะไม่รู้ พะเราคิดว่ามีภรรยายคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะมีคนเดียวก็ได้เท่าหนึ่งถ้ามีสองคนก็จะได้สองเท่าแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องราวต่างๆที่ตามมากับปรรยายอีกคนหนึ่งก็มีตามมาด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่เราต้องการนั้นความหลงจะไม่คอยให้เรามีโอกาสได้คิดถึง โทษหรือปัญหาที่จะตามมาจะมารู้เข้าก็ต่อเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วได้บุคคลนั้นมาแล้วแล้วก็เจอปัญหาที่ตามมาแต่ถึงตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วยกเว้นว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นโทษเราก็ตัดเสีย เท่านั้นจึงจะทำให้ปัญหาที่ตามมาหมดไปได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอจิตใจมีแต่ความโลภความอยากก็จะเกิดความรู้สึกรักที่เสียดายน้อ ง, องขึ้นมาก็ไม่กล้าไม่อยากที่จะต้องเสียคนหนึ่งคนใดไปก็อยากจะมีไว้ทั้งสองคนเมื่อมีทั้งสองคนมันก็จะมีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่นั่นแหละ <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของจิตใจที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยการกระทําความดีนั่นเองเพราะถ้าจิตใจได้รับการดูแลด้วยการกระทําความดีเช่นมีการทําบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมแล้วความดีเหล่านี้จะเป็น ตัวที่เข้าไปคอยกำกำหลาบคอยกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่จะผลักให้จิตใจต้องออกไปแสวงหาความวุ่นวายต่างๆเข้ามาสู่ใจของตนเองดังนั้นการกระทำความดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆคนผู้ที่ปรารถนาะความสุขความสบายใจ เหมือนกับยาที่มีความจำเป็นต่อคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มียารักษาโรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะไม่หายและดินไม่ดีก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้คือร่างกายจะต้องตายไป <c oughs> เพราะขาดยาที่ดูแลรักษาคนเราก็เช่นกัน ถึงแม้จะมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายเพียงไรก็ตามมีตำแหน่งสูงเพียงไรก็ตามมีคนสรรเสริญมากมายเพียงไรก็ตามมีความสุขที่ได้รับจากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะทั้งหลายมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่มีความดีไว้คอยดูแลรักษาจิตใจแล้ว <c oughs> จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้จะมีแต่ความสุขแบบสุขประเดียวประเดาาแล้วก็มีความทุกข์ตามมาสลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆดังที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพอเพียงที่ควรจะมีความสุขแล้วเพราะถ้าเปรียบเทียบถึงสมบัติเข้าของต่างๆที่ญาติโยมมี เมื่อเปรียบเทียบกับพระแล้วพระมีน้อยกว่ามากแต่ทำไมพระมีความสงบสุขมากกว่าก็เพราะว่าพระมีความดีคือบุญกุศลหรือธรรมโอสฐ์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าไปดูแลเยียวยารักษาโรคของใจคือเข้าไปกาจัดความโลภความโกรธความหลง ที่คอยสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจนั่นเองจึงทำให้พระท่านอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งที่ไม่มีข้าวของเงินทองมากมายเหมือนกับญาติโยมมีกันนี่ก็เป็นเพราะว่าท่านจับประเด็นของชีวิตถูกนั่นเองท่านไม่หลงประเด็นท่านรู้ว่าอะไรคือเป็นเหตุที่แท้จริง ที่จะทำให้คนเรามีความสุขมีความเจริญที่แท้จริงนั่นเองแต่ศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่นั้นยังไม่รู้ยังจับประเด็นไม่ได้ยังหลงประเด็นอยู่เพราะยังคิดว่าถ้ามีเงินทองมากมายมีเงินทองมากๆ ม, มีบริษัทบริวารมากๆ ม, มีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขนั่นเองนี่เป็นความเห็นผิด เป็นความเข้าใจผิดแต่ถ้าได้มาที่วัดแล้วมาได้ยินได้ฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้อ่านหนังสือธรรมะที่มีคนแจกให้เราไปอ่านเราจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ จะทำให้เรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วหรือเราได้อ่านแล้วถ้าเราเกิดมีความเชื่อขึ้นมาเรานำใบลองปฏิบัติ ด, ดูเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้อ่านมานั้นผิดถูกอย่างไร <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้ เพียงแต่ฟังเฉยๆหรืออ่านเฉยๆนั้นยังไม่เพียงพอเหมือนกับเวลาที่เราไปที่ร้านอาหารแล้วเราเห็นรายการอาหารเราก็อ่านดูรายการอาหารที่ร้านนี้มีไว้บริการแต่ถ้าเราเพียงแต่ดูเฉยๆอ่านเฉยๆแต่ไม่สั่งอาหารนั้นมารองรับประทานดู เราก็จะไม่รู้ว่าอาหารนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรกับเราฉันใดสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเวลาที่เรามาวัดก็เป็นเช่นนั้นอย่างวันนี้ก็พูดถึงเรื่องความดีว่าความดีนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอย่างแท้จริง ความดีที่เกิดจากการทำบุญให้ทานการดีที่เกิดจากการรักษาศีลการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าเรานำไปปฏิบัติดูเราก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเหมือนกับการทดลองรับประทานอาหารส่วนใหญ่คนที่ได้ทดลองแล้วก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้า เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนทำความดีคงจะไม่อยู่มาได้จนถึงเวลานี้อายุของพระศาสนาก็ประมาณสองพันหกว่าปีมาแล้วถ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำไปแล้วไม่เกิดผลดีตามมาคือไม่ได้เกิดความสุขเกิดความเจริญป่านี้ก็ไม่มีใครนับถือไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนับสนุนที่จะให้ศาสนานี้อยู่ไปได้มีมีอายุยืนยาวนานเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือให้เราทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงจึงทำให้มีการเผยแผ่ปากต่อปากบอกกันไปคนที่ได้สัมผัสได้ทดลองได้ปฏิบัติและได้ลิมลดถึงผลที่ดีที่เกิดจากการกระทำความดีแล้วก็อดที่จะ นำําไปเยผยแพร่ <c oughs> บอกเล่าให้กับผู้อื่นไม่ได้เมื่อผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วลองไปปฏิบัติดู <c oughs> ก็จะเห็นผลเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็เลยมีการถ่ายทอดมีการบอกเล่าปากต่อบากมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้จึงขอให้เราจงเชื่อได้อย่าง อย่างร้อยเปอร์เซว่าการกระทำความดีนี้เป็นคุณอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราไม่บำเพ็ญแล้วแต่มัวแต่ไปหาสิ่งอย่างอื่นนอกเหนือจากความดีชีวิตของเราก็จะไม่ได้รับความสุขได้รับความเจริญอย่างแท้จริง และดีไม่ดีนอกจากจะไม่ได้รับความสุขความจเจริญแล้วยังอาจจะได้รับความทุกข์ได้รับโทษตามมาถ้าการสแสวงหางในสิ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ mm hmm. เช่นลาบยศเธอเสริญสุขทั้งหลายถ้าเกิดสแสวงหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดกฎกติกาของบ้านเมือง ผลที่จะตามมาก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจทั้งๆ ท, ที่มีรากยศสรรเสริญสุขมากมายอยู่กับตัวเองก็ตามแต่ถ้าการหามานั้นหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือหามาด้วยความผิดหามาด้วยความชั่วร้ายอย่างนี้แล้วหามาก <c oughs> ็จะไม่เกิดสุข จะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่เสมอแต่ถ้าเราหามาด้วยความถูกต้องดีงามด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะชีวิตของเราส่วนหนึ่งเราก็จำเป็นต้องอาศัย <c oughs> เงินทองไว้เป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการดูแลรักษา อัตภาพชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ไปได้ถ้าเราหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมหามาด้วยความถูกต้องดีงามแล้วการหามาแบบนี้ก็ไม่มีโทษตามมาแล้วถ้าเกิดเราหามาได้มากกว่าที่เรามีความจาเป็นที่ที่จะต้องมีเราก็เอาส่วนที่เกินนี้ ไปทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วยการเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาเขาก็จะมีความสุขและการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นก็จะทําให้เรามีความสุขเพราะจิตใจของเราได้รับการดูแลด้วยการกระทําความดีนั่นเอง แล้วถ้าเราดำเนินชีวิตของเราไปแล้วไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราต้องการอะไรเราก็ต้องระวังว่าการที่เราไปแสวงหาสิ่งที่เราต้องการมานั้นไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่าถ้าไม่ไม่เบียดเบียนไม่ไปสร้างความเดือดร้อนการกระทาของเราก็จะไม่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราแต่ถ้าเราไป เบียดเบียนผู้อื่นในขณะที่เราแสวงหาในสิ่งที่เราต้องการถึงแม้เราจะได้สิ่งที่เราต้องการมาแต่ความสุขที่ได้รับจากสิ่งที่เราต้องการนั้นจะถูกความทุกข์นั้นกลบเกลื่อนไปเพราะว่าความทุกข์ที่ได้มาจากการกระทําความไม่ดีไม่ชอบทําบาปทํากรรมนั้นมี โทษมีความรุนแรงมากกว่าความความสุขที่ได้รับจากการแสวงหาสิ่งของต่างๆดังนั้นเวลาที่เราได้ของมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นเราจะมีความไม่สบายใจเราจะมีความกังวลใจ <c oughs> เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันผิดมันมีโทษตามมาไม่ช้าก็เร็วเราก็คงจะต้องถูกเขา จับไปดำเนินหนงโทษต่อไปนี่ก็คื อ, คอทำทำให้เราไม่มีความสุขถ้าเราไม่รักษาศีลคือการสแสวงหาของเราเราต้องระวังว่าเราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าฆ่าเขาก็ดีเอาทรัพย์ของเขามาโดยที่เขาไม่ให้เราก็ดีไปประพฤติผิดตัวเวณีกับ ลูกสา ม, มีของเขาก็ดีภรรยาของเขาก็ดีหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็ดีเหล่านี้ถ้าเราทำไปแล้วเราจะมีความไม่สบายใจตามมาดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีนี้ เวลาเราจะทำอะไรเวลาเราต้องการอะไรเราก็ต้องระมัดระวังต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่าสิ่งที่เราได้มานี้ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่าถ้าไม่ไม่ผิดศีลแล้วทำไปก็ไม่มีความวุ่นวายใจตามมานี่ก็เป็นความดีอีกลักษณะหนึ่ง คือความดีที่เกิดจากการละเว้นนั่นเองละเว้นจากการกระทาความชั่วละเว้นจากการกระทาบาปกรรมก็ทำให้จิตใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุขดังที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ในอนิสงค์ของท้ายของศีลว่าทีเลนะนิบุติยันติศีลเป็นเหตุที่ทำให้ความทุกข์ดับความทุกข์ได้เวลาเรา รักษาศีลแล้วเราก็มีความสบายใจความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลที่เราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่มีนั่นเอง <c oughs> แล้วถ้าเรามีความมั่นเพียรที่จะบาเพ็ญความดีให้มากขึ้นไปยิ่งกว่านี้คือนอกจากการทำบุญให้ทาน <c oughs> การรักษาศีลแล้วเรามีความศ <c> ร <oughs> ัทธา ที่จะปฏิบัติทำเช่นทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเวลาที่เรามีเวลาว่างเช่นในตอนเช้าในตอนกลางคืนก่อนที่เราจะไปนอนเราไหว้พระสวดมนต์นั่งทำจิตใจให้สงบจิตใจของเราก็จะมีความลมเย็นเป็นส่ เพราะเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เลิศทำสมาธิเราจะควบคุมจิตของเราไม่ให้ไปท่องเที่ยวไปตามเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาที่จิตใจของเราคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความว้าวุ่นขุนหัวขึ้นมาเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราต้องมีความกังวลใจแต่ถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระมนต์ที่เราสวด น, นั้นเป็นเป็นเป็นภาษาที่เย็นนั่นเองคือเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงถ้าเราสวดถึงแม้เราไม่เข้าใจก็เป็นเครื่องยืดเหนียวจิตใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเมื่อจิตใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทีส่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราใจของเราก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวเมื่อไม่ว้าวุ่นขุ่นัวใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงแล้วถ้าเรากำหนดให้ใจนั้นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นจะเป็นการบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือจะกำหนดดู <c oughs> ลมหายใจ ดูลมเข้าหายใจเข้าลมหายใจออกไปเรื่อยๆโดยที่มีสติคอยกำกับไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงและถ้าเราทาไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งถ้ารวมลงเป็นหนึ่งจิตก็จะนิ่งจะสงบก็ Κ จะมีความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนปรากฏขึ้นมาภายในใจนี่แหละที่เราพูดถึงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตที่สงบนั่นแหละถ้าจิตสงบเมื่อไหร่จิตนิ่งเมื่อไหร่จิตเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ในขณะนั้นจิตจะมีความสุขมากจะมีความสบายมีความอิ่มมีความพอ จะไม่มีความรู้สึกหิวกระหายอยากจะได้อะไรเลยถ้าเมื่อข้นเราได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่หลงประเด็นอีกต่อไปเราจะรู้แล้วว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การทําจิตให้สงบนี้เองและหลังจากนั้นแล้วเรื่องการที่จะไปแสวงหาราบยศสรรเสริญสูงนั้นก็จะเบาบาลงไป ถ้ามีความจำเป็นก็หามาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่จะไม่ไปคิดว่าถ้ามีลากรสเสร่อมมากมากแล้วจะมีความสุขมากเพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นความจริงความสุขจะมีมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่ที่ความความสงบของจิตเท่านั้นจิตสงบมากเพียงไรจิตก็จะมีความสุขมากเพียงนั้นจิตจะมีความสงบมีความสุข ได้ก็ต้องอาศัยการทาความดีความทความดีได้มากเท่าไหร่ความสงบก็จะมีได้มากขึ้นเท่านั้นถ้าทำความทาความดีน้อยความสงบก็น้อยเช่นทำบุญให้ทานอย่างเดียวความสงบก็จะได้ระดับหนึ่งถ้าทำบุญทาทานแล้วรักษาศีลด้วยความสงบก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับแล้วถ้าได้ ทำบุญทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบอย่างต่อเนื่องความสุขก็จะมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปและถ้าได้ปฏิบัติถึงขั้นวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของโลกว่าเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนแล้วถ้าเราเข้าใจในหลักนี้ได้จิตของเราก็จะตัดกิเลสได้ทั้งหมดจิตของเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งสังขารร่างกายคือชีวิตของเรานี้ก็จะปล่อยได้เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน มีการเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดไม่มีใครหลีกพ้นไปได้แล้วถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องมีความทุกข์เวลาที่จะต้องพัดพรากจากร่างกายอันนี้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วปล่อยวางตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้ <c oughs> จิตก็จะไม่มีความทุกข์กับความเป็นความตายต่อไป ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีปัญญาคอย <c oughs> ดูแลจิตอยู่เสมอไม่ให้จิตไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปติดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยวางจนเสียไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ดูแลรักษาขณะที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลไปตามอัตภาพมีมีอะไรก็ให้รับประทานก็รับประทานไป มีเสื้อผ้าใส่ก็ใส่ไปมีมีอะไรที่ต้องทำกับร่างกายก็ทำไป